นอกน้องคือกาักาใจของการพยาามพยายาตสารมสีพยายามักษาใจเราต้องเรียนทติดนทเความแค่เป็นคนนั่งกันสบายนะนาทุกรดาวนี่ยไมนคิดแต่ว่าใครจะเที่ยงคืนนะ มาได้สองสามสี่ชั่วโมงครับนะขึ้นทางนะเดี๋ยวขึ้นทางถึงจีนสามแต่เราไม่ต้องไปคิดไกลเดี๋ยคิดออกแบบประมาณว่าทีทละชั่วโมงนะ่ะทีละชั่วโมงนะเดี๋ยวมาเทศเสร็จนะก็แคแป๊บเดียวนะปฏิบัติแป๊บเดียว เดี๋ยวก็มีพระอาจารย์กอื่นดแค่อีกหกทุ่มเอาทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงนะแต่ถ้าไปคิดว่าเมื่อเมื่อไรจะถึงตอนเช้าเนี่ยมันจะหนักอถ้าเอาทีละชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักมันหลายคนบางทีเวลาปฏิบัติธรรมนะบางทีมาใหม่ใหม่ปฏิบัติธรรมเอาเจ็ดวันนะ วันแรกๆนี่จะรู้สึกเหมือนปูนทําไมเจ็ดวันมันนานแต่ถ้าผ่านไปทีละวันทีละวันนะเจ็ดวันก็แค่เดียวเหมือนในพรรษาใช่ไหมครับก็คุณ เ, เจ้าใดท่านก็คงทาผ่านได้นะตอนเข้าพรรษาใ ห, ใหม่ๆเนี่ยบางคนจะไม่แน่ใจจะอยู่ครบในพรรษาหรือเปล่านะแต่พอแป๊บเดียวนี่ยก็ขึ้นพรรษาแล้วอืม เดือนคขึ้นนะผ่านมาแล้วเร็วมากเหมือนปีนี้ใช่ไหมสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยก็แทบเดียวก็เดินแปดแล้วหลวพ่อเขมเขียนก็เหมือนกันนะแทบเดียวก็สามเกียล้วท่นเสียเราก็สึกความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าเหมือนหลงพบอเพิ่เสียเพราะว่าอย่างเนี ขอขึ้นมาอ่านตัวนี้เนาะกนไม่รู้จะเทศอะไรหลักแต่พอขึ้นมาข้างบนเห็นหลวพ่อเขียนบอกว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายครับพอหลวงพ่อเขียนนี้ตา่างดีแล้วเนี่ยก็ความรู้สึกเนาะมัน ร, นรู้มันรู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่กับหลวงพ่อได้เห็นกับหลวงพ่อมันก็มันมันเป็นเหมือนแค่ผ่านไปไม่นานนี่เองนะ มันยังรู้สึกได้สัมผัสเอตอนที่ได้ดูแลหลวงพ่ออยู่อยู่ที่ปฏิบติเองเนาะที่หลวงพ่อบอกพวกเราก่อให้หลวงพ่อตายนะมันมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งของผมเองหรือของตำนานเองตอนตอนที่หลวงพ่อท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่กลับมาที่วัดนะเล่านิดเดียวนะตอนนั้นพอ ก้อนเนื้อมันมันติดที่ลำคอพอสมควรนะหมอก็ให้นลวพ่อฉายแสงนะก็ปรึกษากันในายหลายคนก็นลวพ่อก็เลยลองฉายแสงดูนะหมอก็ไม่ได้บอกว่าฉายแสงมันจะหายหรอกแต่ก็ประมาณว่าเพื่อลดก้อนดูขก็ฉายไปทั้งสามแสนประมาณสามแสนกต็ติดต่ออาทิตย์หลพ่อก็กเป็นคพักที่ ที่มูลที่หลวงพ่อเทียนแต่วันที่จะกลับจากมูลที่หลวงพ่อเทียนกลับมาโรงพยาบาลหลวงพ่อก็นอนไม่ได้หลับนะมันหายใจไม่ค่อยสะดวกพอกลับมาโรงพยาบาลคุณหมอก็ดีดเช็คเลยว่าทําไมมันหลวงพ่ออึดอัดขนาดนี้ปรากฏว่าที่ชายแสมไปสามแสมคิดว่าจะทําให้ก้อนมันยุบไม่อาจจะยุบลงไปนะแต่พอสองวันเนี้ยมันกลับขยาย ไปมากกว่าเก่าจนน้องพ่อหายใจไม่ค่อยได้ก็บอกว่าก้อนเบียดเบียดหลอดลมมากขึ้นตอนนั้นนะอันนี้ความพูดตนหนังนะน้องพ่อหมอเ็เสนอว่าน้องพ่อควรจะเจาะคอแต่น้องพ่อไม่อยากเจะน้องพ่อคงเคยเห็นท่านเจ้าคุณอุปชาของท่าน เจ้จังหวัดเลยเจ้าค e <ales> <iniz> ุณส so ีน่าท่านจ่อคอแล้วก็เหมือนตอนตายก็ตอนที่ท่านท่าสังขาญก็คงมีอะไรมาติดคอหรือว่าก็คงในเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนาะการจ่อคอการดูแลผู้ป่วยที่จ่อคอก็คงลำบากแล้ก็เห็นท่านเจ้าคุณอุปัชาก็คงลำบากของมอบไม่อยากจ่อคอ แต่เราที่ดูแลหลวงพ่อตอนนั้นมีผมมีต่าจันตุ้มนะมีโยมขี้หมูบ้างแล้วก็มีหมอบางท่านก็มาศึนษากันอยู่พออย่งในนอหลวงพ่อไม่อยากจะคอผมเองก็แบบก็อันนี้คนรู้สึกส่วนตัวก็เป็นมาว่าหงพ่อขึ้นเข้าโรงพยาบาลได้ไม่ถึงเดือนฉายแสงแค่สามครั้งแล้วก็เราก็อยู่กับหลวงพ่อ สามสี่คนที่ห้องเนีน้ถ้าหลวงพ่อไม่ยอมเจาะคอหมอก็พยาพรณไม่ได้ว่าก้อนมันจะขยายเร็วขนาดไหนจนทั้งติดลมหายใจมันตี่ดึงนะหลวงพ่อก็อาจจะเสียชีวิต ไ, ได้ภายในวันสองวันหรืมันก็ไม่แน่อาจจะหลายวันตัวนึงก็ได้ถ้าไม่ถ้าหนหลวงพ่อไม่เจาะคอหมอก็ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่อยากเจาะให้เราอยู่โรงพยาบาลแต่หลวงพ่อก็กลัวว่า อืถ้าหลวงพ่อจะเสี่ยนไปในอีกแค่วันสองวันลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะวัดยังไงน้นอนนะ่ะเพราะว่าทำไมอยู่โรงพยาบาลแล้วก็หลวงพ่อทำไมเปลียเดียวจังท่านท่างที่อย่างอื่นก็ยังดีอยู่ประมาณนี้ก็เคยเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อจะไปตอนนี้ผมกลัวว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะจะ ยังทําใจไม่ได้ครับคุณหมอเสนอให้หลวงพ่อเจพอหลวงพ่อจะพิจารณาไหมครับประมาณก็เชิงว่าถ้าหลวงพ่อจะไปไปในไม่กี่วันเนี่ยกลุคนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้เพรคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มาเยี่ยมหลวงพ่อที่โรงพยาบาลไม่ได้เห็นสถานาการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้รู้ข้อมูลอาการอากาตของหลวงพ่อมาก แต่เราก็เห็นว่าเออมันมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งก็ไม่มีใครหมอเองก็ไม่คาดว่าก็มันจะโตกลับมาเร็วขนาดนั้นอืก็เลยคล้ายๆเหมือนนิ ม, มนต์หลวงพ่อว่าถ้าหลวพงพ่อเจ้าพอก็หลวงพ่อก็จะจะอยู่ได้นานขึ้นเนาะประมาณนั้นก็เหมือนก็ความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันนิ ม, มนต์นให้หลวงพ่ออยู่ อันนี้เลยหลวงพ่อบอหลวงพ่อกลอตายตอนนั้นก็เหมือนเรานิมนต์ขอให้หลวงพ่ออยู่เพราะว่าถ้ากลัวถ้าหลวงพ่อรักสังขารหรือตายตอนนั้นก็ก็คิดว่าทุกศิษย์หลายคนก็คงทําใจไม่ได้หลวงพ่อก็ได้อยู่ซึ่งก็อาจจะทําให้ท่านก็ทรมานร่างกายคนหนึง่งแต่ก็เห็นว่าคือเหมือนหลวงพ่ออยู่เพราะ เพื่อลูกศิษ์นะไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อหายป่วยครั้งแรกปีสี่เก้าก็รู้สึกเลยหลวงพ่อเหมือนจะไปอยู่แล้วนะอาการมันก็หนักมะเองก็แรงแต่หลวงพ่อก็ตั้งใจตั้งปริญญาว่าเห็นคนร้องไห้เห็นคนยังทุกข์เห็นคนยังทําใจไม่ได้หลวงพ่อก็ยังคืออยากจะช่วยไม่ใช่ว่ากลัวตายนะแต่รู้สึกว่าลุกศิษย์ นะอย่างยังทำใจไม่ได้นะจิตก็คืออยากจะช่วยนะเห็นเขามีความทุกข์เราจะช่วยเขาพ้นทุกข์อย่างไรนะนี่คือความนั่งใจของพ่อที่อยากจะให้นะรูกศิษย์ ท, ทั้งหลายนะได้มีความทุกข์น้อยลงหรือว่าพนจาความทุกขนะ์ให้เขาได้มีที่พึ่งนะเห็นเลยว่าโอ้ที่จริงของพ่ออยู่นะตั้งแต่ หลังปีสี่เก้าต้ อ, องให้อยู่เพื่อเพื่อตัวท่านเองเลยนะอยู่เพื่อพวกเราอืหรืออย่างทีง่บอกว่าหลมันก็จะปลูกป่าคูหลงดูแลป่าที่นั่งที่นี่น่ะให้มันดีขึ้นนะเป็นภารกิจแต่นั้นก็คิดว่าเป็นภารกิจลองมากกว่าภารกิจหลักก็อผมของพ่อพ่อผมอยากจะใช้เวลาในการตอนนักวนทางออกจุดความคุ๊กให้กับผู้คน ให้มากขึนะ้นปีห้าเจ็ดก็เหมือนกันนะปีหนะ้าเจ็ดเนี่ยถ้าหลวงพ่อไปตั้งแต่อยู่โรงบาลตอนนั้นก็ข้อเขียนนะัธรรมะที่ที่เขียนในตอนหนังก็คงไม่ค่อยมีนะก็คงมีแต่คำเทคําสอนที่อยู่ตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อพอผูดด้ตายก็ยังอยู่คือ เราก็รู้สึกว่าเนี่ยหลวงพ่ออยู่เพื่อทุกสิดน่ะอยู่เพื่อพวกเราท่านไม้อยู่เพื่อสิ่งอื่นเลยนะท่านคิดถึงคนอื่นน่ะคิดถึงไม่ใช่แต่คนนาะคิดถึงสาตร์คิดถึงต้นไม้นะคิดถึงธรรมชาติผมเดือนจะมาก็อยากจะพูดถึงประเด็นนี้นะเสริมขึ้นเพราว่าเรื่องประเด็นความรู้สึกตัวประเด็น ความไม่ทุของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านก็พูดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านเด่นมากคือความเมตตาความกรัณูนานที่ที่ท่านมีเผื่อแผ่ให้กับพวกเราทุกคนถ้าใครที่ได้เห็นได้สัมผัสของพ่อก็จะเห็นนะความเมตตาของท่านเนี่ยมันมันทาให้เรามันทำให้เรา ความทุกข์ก็น้อยลงไปนะ เ, นเราอยู่ใกล้หลวงพ่อเนี่ก็เย็นใจสบายใจยแล้วก็ไม่เกรงไม่เครียดนะอยู่ ใ, ใกล้ๆก็สบายใจหรือหลวงพ่อทาอะไรนะก็รู้สึกว่าคนที่ช่วยงานท่านก็รู้สึกผ่อนคลายหลวงพ่อไม่ค่อยเรียกร้องให้พระหรือว่านห้โยมมาช่วยงานนะจำได้เลยตองหลวงพ่อขุด ดินนะปรับโถดินที่สะดานหน้าหลงพ่อก็ตื่นเช้าขึ้นมาทําบ้านเสร็จนะท่านก็ทำของท่านนะดินกองใหญ่ๆนะต้องมาด่ายรวงพ่อ ก, ก็ทํานะอืไม่ไม่มีเรียกให้ใครมาช่วยนะมีคนไปช่วยบ้างก็เป็นบางครั้งบางคราวลดน้ําต้นไม้ก็เหมือนกันหลงพ่อก็ลถไปไม่แต่ด้างรถเองหลพอก็ด้างเองนะคือ เห็นถึงความใช้ความเสียสละนะความเมตตาความกรุณาที่หลวงพ่อให้กับกับพวกเราทุกคนหรือว่าธรรมศสตทั้งหลายซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะถ้าเราเป็นมุสลิมหลวพ่อก็ก็ให้เราฝึกตรงนี้กันกันดีฝนะึกตรงนี้นะนอกจากที่เราฝึกสตินะสร้างฟ้อมฝึกตัวนะพาตัวเราออกจากความทุกข์แล้ว ผมคิดว่าความเมตตาความกรุณาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคล้ายๆทำให้เราลดความเห็นแก่ตัวลงไปเพราะจะว่าไปจริงๆนะกิเลสทั้งหลายมันรวมตรงที่ไหนถ้าจะพู ด, ดง่ายๆทง้งนๆนะผมว่าก็าคือความเห็นแก่ตัวเวลาเราโกรธใช่ไหมโกรธเกลียดไม่พอใจมันก็คือ มันตัวตัวเรามันถูกกระทบอบบเขาว่าเราเขาตีเราเขาแย่ของเราไปมันก็เลยเกิดโพสต์ขึ้นมามันก็คือตัวตนมันถูกกระทบเพราะมันผีตัวมันเห็นแก่ตัวมันก็เลยโกรธขึ้นมาเวลาโลภก็เหมือนกันมันรู้สึกอยากจะเอาทําอะไรก็อยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะได้ก็โลภมันก็มีความเห็นแก่ตัวนะ หรือหลงเองก็อาจจะหลงก็เช่นถ้าหลงเพลินก็คืออยากให้ตัวมีความสุขนะอะกินอาหารอร่อยก็คือหวังว่าลิ้นมันจะได้สัมผัสกับรสชาติที่อร่อยใช่ไหม อ, อย่างได้อากาศที่เย็นสบายก็คือก็อยากให้ร่างกายเนี่ยมันสุขสบายอืหรือเราอยากได้คําชมคืออะไรก็เพื่อให้ใจเรา ใจเรพอใจอ่ะ อ, อ, อันเนี้ยใจแบบนี้เนาะที่จริงกิเลสทั้งหลายก็พูดง่ายๆนะก็รวมกับตรงที่ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละพูดง่ายๆเลยนะอืมเราจะทำไงถึงจะรั้งความเห็นแก่ตัวนะผมก็ว่านี่แหละนะความมีเมตตาความกรุณาเนะี่ยมันจะทําให้เรามีความเสียสละพอเสียสละออกไปมันก็คือ ลดความเห่นแก่ตัวหรือบางทีก็รักความเห็นแก่ตัวได้ในทีและขนาดหนึ่งใช่ไหมอย่างเวลาเราทํางานเนี่ยโอ้ถ้าเราเห็นแก่ตัวเยอะนะผู้เราเหนื่อยกว่าคนอื่นอเราทํางานมากคนอื่นคนอื่นพู้คนอื่นทําน้อยคนอื่นหลบไปอยู่นะคิดแบบนี้นะโอ้ใจเป็นทุกมากนะแต่ดูอย่างตัวอย่างของพ่อคนะือไม่แต่พระอาจารย์เบสานท่านทํางานเยอะมากนะในแต่ แต่ละวันแต่ละปีโนมะงานทําเยอะมากนะคือเขาเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลือวความเห็นแก่ตัวน้อยถึงทําเพื่อคนอื่นในเยอะแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวมากเนี่ยทําให้คนอื่นได้น้อยมากนะเพราะว่าทําแล้วก็กลัวตัวเองเหนื่อยนยทําำแล้วก็เราเหนื่อยทําำแล้วก็เราเสียเวลาอะไรต่างๆ น, น, นะต้องพิจารณานักบางที ไม้แตนั่ปฏิบัติธรรมบาง ท, ทีเวลาทํางานถ้ารู้สึกว่าเราเสียเวลาทํางานอันนึงเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวดอกหรือเปล่าอืแต่ถ้าเรามองงานเออมันเป็นการตลาดความเิ่นแก่ตัวนะมันเปนการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งนะถ้ามองแบบนี้นะบางอย่างโอ้ไม่ได้เสียเวลา เราก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะที่ทํางาน <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ติีเกียน์ใครนะแต่แค่เข้ามาก็ท่านจิตมันตอบเราว่าเออเราไปทําอย่างอื่นมันเสียเวลามันเนิ่นช้ามันเหนื่อยไม่เกิดประโยชน์เนี่ยแสดงว่าบบเราอาจจะวางใจผิด ก, ก็ได้นะแต่ถ้าเราวางใจถูกเนี่ยโอ้กวาดถนนถูพื้นนี่ก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหม คนอื่นเขาไม่กวาดก็เรื่องของเขาสิเราก็กวาดยังมีสติงานภายนอกก็ได้งานในใจเราก็ได้เราถูพื้นเนี่ยมันก็เป็นบุญนะเป็นประโยชน์ละคนอื่นไม่ถูเรื่องของเขาสิะเราได้บุญ ล, ละเราได้ทําประโยชน์ละเราได้ขัดเกลาเกลของเราละลดความเห็นแก่ตัวแล้วไอ้คนเนี่ยนะโอ้มันมันดีมากๆ เนี่ยถ้าเรามองเดี๋ยวนี้นะการทําทุกสีต้นอย่างเนี่ยมันเป็นการต้นความถือแก่ตัวทั้งนั้นแหลนะนยการที่เราเอาอย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์เรารับฟังเขาเนะี่ยด้วยความตั้งใจนะเห็นใจเขาเนี่ยบางคนก็มองว่าเราเสียเวลาบางคนก็มองว่าเราต้องมารับเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันเครีครยดเข้ามาใน สมองนะในใจของเราเนะี่ยมองแบบนั้นนะเป็นทุกข์มากเลยเหมือนจะมองตัวเองเหมือนเป็นถังขยะเหมือนเขาเอาอะไรคำพูดเอาอะไรต่างมาทิ้งลงไปเราเป็นถังขยนะแล้วก็เราก็ปิดปากทำขยะไว้นะเราก็เป็นทุกข์ไม่มีทางระบายนะแต่จริงนะเราต้องทําเป็นเหมือนทําตัวเป็นเหมือนกระถามนะอนะ เรายินดีรับฟังเข้ามาเลยนะ่ะนับฟังนั่นเลยแต่เรารบายออกให้ได้ระบายออกให้ได้นะเราก็จะทํำตัวเป็นประโยชน์นะไม่เสียเวลาแล้เราก็ได้ดูฝึกใจของเราเองเป็นไงนะเวลาฟังคนอื่นเขาเราตัดสินไม่เวลาฟังคนอื่นแล้วเรามีความเครียดมีความทุกข์มีความอยากอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะอเราก็ทําแบบนี้นะมันก็เหมือนช่วยทั้งคนอื่นไปด้วย ดยทั้งตัวของเราเองไปด้วยอันนี้คือเพราะความเห็นแก่ตัวมันน้อยลงนะมันถึงทําแบบนั้นได้แต่ถ้าความเห็นแก่ตัวยังมากอยู่นะโอ้มันมันจะไม่อยากหรอกนะเราเห็นก็ทุกข์อยู่แล้วอยากจะเอาทุกข์คนอื่นมาทงอีกนะมันก็แบบยิ่งไม่พอใจเนะี่ยยิ่งไม่ชอบยิ่งเกลียดนะอันนี้คือแต่ถ้าลองฝึกบ้างนะ ถ้าเรามีเมตตามีความปรนนานเนี่ยเราจะทํำด้วยแบบความยินดีนะยินดีรับฟังบานะทีไม่ต้องช่วยด้วยการแนะนําก็ได้นะรับฟังด้วยความเต็มใจนะเปิดใจนะเขาก็พูดมาเราก็ฟังไปนฟังไปแล้วเขาไปแล้วเราก็จบเหมือนกันนะเราก็ผ่านไปเหมือนกันอันนี้คือความความมีเมตตาความเสียาลเนี่ยผมว่ามันช่วยให้เรา ลดความเข็นแก่ตัวได้เยอะซึ่งมันก็มันช่วยให้เวลาเราปฏิบัติธรรมพอกลับมาปฏิบัติในรูปแบบนะมันก็สบายใจนะเพราะว่าพอเราได้ช่วยคนอื่นเนะี่ยมันจะมีความสุขขึ้นมาเช่นเห็นเขามาพูดหน้าตาเศร้าๆหรือว่าเขาสงสัยนะหน้าตาเป็นทุกขมากพอได้มาพูดมาถามอะไรก็จิตใจของเขาผ่อนคลายขึ้นหน้าตาเขายิมแย้มขึ้นนะ เขามีความสุขหรือความทุกข์ข้นน้อยลงเนี่ยเราเองก็ปล่อยมีความสุขตามไปด้วยนะพอเราเองมีความสุขน่ตามไปด้วยเราไปปฏิบัติตอนในรูปแบบเนี่ยอมันก็มีสมาธิมีสติได้ง่ายๆขึ้นเพราะความสุขนะมันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิอหมือนเราทำอะไรก็เรามีความสุขในการทํานะมีความพอใจในการทำเนี่ยมันจะมี ความตั้งมั่นมันจะมีความเรียกว่ามีพลังในการทํางานมีความต่อเนื่องในการทํามากขึ้นนั้นการช่วยคนอื่นนะมันย้อนกลับมาเป็นการให้เราช่วยตัวเองเพราะเราทําให้คนอื่นมีความสุขนะเราเองก็พอเราปฏิบัติธรรมจิตก็มีสมาธิมีสตินนะได้มากขึ้นจริงๆอันเนี้คือเราเห็นโอ้ อันนี้ก็เห็นตัวอย่างครูวายการที่ท่านช่วยคนอื่นแบบไม่รู้ใจเหนื่อยเนอะบางทีก็เห็นหลวงพ่อเด็ดเหนื่อยนะตอนเธอื่นไปแล้วอย่างเวลามีคนมาเยี่ยมนะบางทีหลวงพ่อป่วยป่วยมันมีคนมาเยี่ยมหลวงพ่อก็ลุกมาเขียนบ้างมาพูดบ้างนะแต่พอเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อเหมือนปิดตาเลยกำลังนอนทำมีคนมาเยี่ยมหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมานะพอเข้าไปก็ดับนะเหมือน ไม่เหนื่อยในการที่จะสอนคนนะนะชีวิตนะอยู่ด้วยการที่เรียกว่าช่วยผู้อื่นจริงๆนะหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ด้วยการที่ท่านช่วยผู้อื่นอนเราะผู้อื่นนะเราเองก็ถือว่าให้เอามุมนี้ของหลวงพ่อเป็นเป็นตัวฝึกหัดตัวของเราเองได้นยเนาะแม้พวกเราเองก็อาจจะยังไม่ได้ บรรลุธรรมไม่ได้มีธรรมะสูงเท่ากับหลวงพอ่อแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมหรืออาจมาสัมผัสได้คือหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเราต้องบรรลุธรรมถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วถึงค่อยมาช่วยคนอื่นแต่หลวงพ่อจะสอนว่าเมื่อเรามีความรู้เท่าไรเราทําได้เท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นหลวงพ่อพูด ป, ประมาณง่างยๆสมมต เราเรียนจบประถมเรามีความรู้ระดับประฐมแล้วก็สอนเด็กอนุบาลได้เหมือนนะเราจบมัธยมน่ะเราก็สอนเด็กปถมได้เราจบมหาลายัยแล้วก็สอนเด็กมัธยมได้คือไม่ต้องมาต้องรอเรียนจบปณิยานตีจบด็อกเตอร์แล้วค่อยกลับมามาสอนคนน่ะมาช่วยคนอื่นก็ได้แต่เรามีความรู้เรามีความสามารถเรานะมีการฝึกฝนตัวเองไเท่าไหร่ แล้วก็สอนเขาื่นเท่าที่เราสอนได้ถ้าเราช่วยได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อท่า น, ท, านท่านบอกกับเราเนาะนั่นที่จริงเรื่องความมีเมตตาความกุณาเนี่ยไม่ต้องรอวัตถุทำก็ทาได้ <c oughs> เราสามารถมีได้เลยนะมีมีเมตตาต่อคนที่อยู่ ใ, ใกล้ๆตัวเราเนาะ แล้วอีกอย่างหงเราก็ต้องมีเมตตาให้กับตัวเราเองด้วยนะคือบางทีเราความเมตตาหรือการุณาเราอย่าไปคิดว่าเราต้องมีให้กับแต่คนอื่นหรือสิ่งอื่นนะที่จริงความเมตตากรุณ า, นานเนี่ยสิ่งหนึ่งคือต้องมีให้กับตัวเราเองด้วยมันถึง ด, ดีอย่างเวลาเราปฏิบัติธรรมเวลาคุกมากๆที่จริงคุกมากไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะคิดมากนะ แต่เราโกรธตัวเองที่มันคิดมากหือเวลามันคิดไม่ดีนะมันเผลอไปเนะี่ยที่มันทุกขมากเนะี่ยเพราะว่าเราโกรธตัวเองเราไม่มีเมตตาให้กับตัวเราเองนะเราไม่มีความกรุณาให้กับตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ควรที่จะเราจะต้องมีเมตตาด้วยอีกคนนึงก็คือตัวเราเองเนี่แหละเนะวลาปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเรามีเมตตาตัวเราเองเนะี่ยจิตมันจะผ่อนคลายขึ้นอะ ลงไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะ้อเนะ่ชยชวนตัวเองใหม่นะตั้งต้นใหม่นะอะคิดไปแล้วเนะ่ยคิดไปไม่ดีคิดไปดีบ้างอ่ะไม่เป็นไรเนาะเนะี่ยรู้ตัวแล้วนะเอาใหม่นะ้อเอาใหม่น้ออะไรแบบนี้ปล่อยวางลงไปได้นะั้นพอเรามีเมตตาตัวเองนะมันจะไม่สะสมความโกรธนะ่ยไม่สะสมความเกลียดเนะ่ยไม่ไป ย้ำคิดย้ำทำกับความคิดพลาดในอดีตนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเวลานะักปฏิบัติธรรมบางทีบางทีเราก็จริงจังกับตัวเองมากจนเครียดนะจนเป็นทุกข์หรือบางทีเราไม่จริงจังกับคนอื่นจนแบบคนนี้ก็มีถูกคนนี้ก็มีดีอะไรนะไปมองเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นนะจนดึ้ตัวว่าตัวเองอ่ะไปจับผิดคนอื่นอ <laughs> บางทีมันก็มันจริงจังเกินไปเขร่งเครียดเกินไปนะแต่ถ้าเรามองด้วยความเมตตาปรุนานะช่วยเหลือกันเนี่ยโอจิตใจมันจะมีความสุขไม่ใช่ว่าคนมีเมตตาไม่ไม่รู้ว่าอะไรผิดหรืออะไรไม่ควรนะรู้รู้นะแต่พอมันมีแล้วมันจะให้อภัยได้นะให้อภัยตัวเราเองได้ให้กับอภัยกับคนอื่นได้นะผมเลยจะมาประทักใจมากนะของพ้องเขียนทั้งพูดนะ ถ้าบอกบางทีคนนี้เขายังไม่ดีนะหลวอกวันนี้เขายังไม่ดีนะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะดีก็ได้นะวันพรุ่งนี้เขายังไม่ดีก็คิดว่าบางทีสัปดาห์หน้าอืมเขาก็อาจจะดีก็ได้นะสัปดาห์หน้าเขายังไม่ดีนะเดือนหน้าเขาอาจจะดีก็ได้นะเดือนหน้ายังไม่ดีก็ปีหน้าก็อาจจะดีก็ได้ปีหน้ายังไม่ดีก็อาจจะ ชาติหน้าดีก็ได้นเลยนะคือคิดแบบคิดแบบไม่ปิดตั้งโอกาสนะเอะคิดแบบว่าคนเราสามารถพัฒนาได้นะให้โอกาสแล้วก็วันนี้เขายังไม่ดีนะัแต่อนาคตนะมันก็ดีได้นะมันสามารถฝึกคนตัวเองได้คิดแบบนั้นถ้ามันมีความสุขนะแต่ได้คิดแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ดีไอ้นี่มันแย่นะแย่อีกแล้วแย่อีกแล้วเนี่ยโอเราก็เป็นทุกข์นะแล้วก็ อาจจะทำให้เขาเองก็รู้สึกแย่แล้วก็ไม่มีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง้วยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนเนาะเล็กๆน้อยๆในเวลาที่ที่ไม่มากนักแต่ก็ก็คงเป็นการเสริมๆกันของในะ ห, ลหลายมุมมองนะของพระอาจารย์แต่หลายรูปนะก็ให้พเราได้ มีเมตตากับฝั่งง่วงด้วยนะง่วงก็เป็นทางลายชาตินะง่วงก็หัวล็กอกนะหัวล็อกให้กับฝั่งง่วงบ้างนะง่วงไม่ใช่ต้องไปเครียดต้องไปโกรธนะง่วงก็หัวล็กอกนะหัวล็อกให้กับมันนะยิ้มให้กับมันนะถ้าหัวล็อกแล้วมันไม่ไหวนะยิ้มก็ยังไม่ไหวก็แสดงว่ามันอยากไปมันอยากไปอาบน้ำํำ ก็อยาไปล้างหน้าไปล้างหน้าให้มันตัหน่อยนะมันอยากเล่นสงการหน่ยะก็ไปล้างหน้าล้างตาไปผ่อนคลายบ้านนะอืมก็อย่าไปเครียดกันมากนะมันก็ทําแบบสนุกสนุกทําไปเรื่อยๆเยนาะ ก, ก็ควบคุมความสมดุลทีเวลา